ข้อที่เจก่อนจะปรินิพพานอีกเหมือนกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้มีมาในมหาปรินิพพานในสูตรพระไตรปิฎกเล่มสิบตรัสว่าดูก่อนอานนทำลวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลายทำลวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปพระดำรัสนี้